รรมบทแปลเรื่องพระนันทะเตระภาคที่หนึ่งเรื่องที่เก้าเมื่อพระศาสดาประทับอยู่พระวิหารเชตวันทงรงรารมท่านนันทะตรัสพระธรรมเทศนาน้ว่าเรือนที่มุงไม่ดีได้ฉันใดเป็นต้นก็ความพิสดารมีดังนี้ว่า พระาศาสดาทรงมีพระธรรมจักรบวรให้เป็นใบแล้วเสด็จไปสู่กรุงราชฤกษ์ประทับอยู่ในพระวิรุันบรรดาทูตสิบคนมีบริวารคนละพันอันพระเจ้าสุโทโธทนะมหาราชทรงส่งไปด้วยรับสั่งว่าท่านทั้งหลายจงนำบุตรมาแสดงแก่เราเถิด พระกาลุทายเทระไปที่หลังกว่าทุตทั้งหมดบรรลุพระอรหัตแล้วทราบการเป็นที่เสด็จมาแล้วอนานาหนทางด้วยคาถาประมาณหกสิบคาถานำเสด็จพระาศาสดาผู้มีพระคีนาศพสองมืนแวดล้อมแล้วไปสู่กรุงกบิลพัททรงทําฝนโบกกรพัทให้เป็นเหตุเกิด แห่งเรื่องแล้วตรัมหาเวสันดรชาดกในสมาคมพระญาติวันรุ่งขึ้นสเสด็จเข้าไปบินธบาทโปรดพระบิดาให้ดำรงอยู่ในโสดาปติผลด้วยพระกาถาว่าอัติเถนบปะมัชยะเป็นต้นโปรดพระนางมหาปชาบดีโคตมี ให้ดำรงอยู่ในโซดาปฏิผลและโปรดพระราชาคือพระบิดาให้ดำรงอยู่ในสกัตากามิผลด้วยประกาาว่าทรมันจะเรสุจริตังเป็นต้นก็นในการเสร็จภารกิจทรงอาศัยการพันานาคุณของราหุลมานดาตราจันทกินารีชาดก ในวันที่สแต่วันนั้นครันเมื่วิวาหมงคลเป็นที่เชิญเสด็จเข้าเรือนเพื่ออภิเศกของนันทกุมารเป็นไปยูเสด็จเข้าไปบินบาบประทานบาทไว้ในหัดของนันทกุมารตรัสมงคลคืออวยพรเสด็จลุกจากอาสนะแล้วหลีกไป หาได้ทรงรับบาตรจากหัตของนันทกุมารไม่ฝ่ายนันทกุมาร น, นั้นด้วยความเคารพในพระตตาคตจึงไม่อาจทูลเตือนว่าขอพระองค์รับบาตรไปเถิดพระเจ้าข้าแต่มีความคิดดังนี้ว่าพระศาสดาคงจะทรงรับบาตรที่หัวบันไดแม่ในที่หัวบันไดนั้น พระศาสดาก็ไม่ได้ทรงรับนันทากุมารก็มีความคิดต่อไปว่าคงจะทรงรับบาตรที่ริมเชิงบันไดแม้ในที่นั้นพระศาสดาก็ไม่ได้ทรงรับนันทากุมารก็มีความคิดว่าคงจะทรงรับบาตรที่พระลานหลวงแม้ในที่นั้นพระศาสดาก็ไม่ได้ทรงรับพระกุมารปรารถนาจะเสด็จกับ แต่จำเสด็จไปด้วยความไม่เต็มใจด้วยความเคารพในพระต า, าคตจึงไม่อาจทูลว่าขอพระองค์จงทรงรับบาปเถิดแต่ทรงเดินนึกไปว่าพระองค์จะทรงรับบาปในที่นี้ร่องจะทรงรับบาปในที่นี้รรบบนนนนนดังนี้ก็ในขณะนั้นหญิงพวกอื่นเห็นนาการนั้นแล้วจึงบอกแก่นางชนบท กัลยาณีว่าข้าแต่แม่เจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพานันท ก, กุมารเสด็จไปแล้วคงจะพ ร, ะรากนันท ก, กุมารจากพระแม่เจ้าแน่ฝ่ายนางชนบทกัลยาณีได้ยินคำนั้นแล้วก็มีหยาดน้ำตาไหลอยู่เที่ยวมีผมอันกล่าวได้กึ่งหนึ่งจึงรีบไปทูลกับนันท ก, กุมารว่าข้าแต่พระลูกเจ้า ขอพระรงค์พึงด่วนเสด็จกลับดังนี้ก็คำนั้นของนางพระหนึ่งตกไปขวางตั้งอยู่ในหาไทของนันทกุมารแม้พระาศาสดาก็ยังไม่ทรงรับบาตรจากหัดของนันทกุมาร น, นั้นเลยทรงนำนันทกุมาร น, นั้นไปสู่วิหารแล้วตรัสว่านันทะเธอจะบวชไหมนันทกุมาร น, นั้น ก็้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าจึงไม่ทูลว่าจะไม่บวชแต่ทูลรับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เริญถ้าพระองค์จะบวชพระเจ้าข้าจึงรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงให้นันทบวชเถิดตอนราหุลกุมารทูลขอสมบัติกับพระศาสดา พระศาสดาเสด็จไปสู่กรุงกบิลพัทในวันที่สามทรงยังนันท ก, กุมารให้บวชแล้วก็ในวันที่เจพระมารดาของพระราหุลทรงตกแต่งพระกุมารแล้วทรงไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคด้วยคำว่าพ่อพ่อจงดูพระสมณนะ ซึ่งมีพระสมณะสองหมื่นแวดล้อมทรงมีวันนะประดุดสีทองคำทรงมีวันนะแห่งพระรูปประดุดพรมนั่นพระสมณะนี้เป็นพระบิดาของพ่อหม่อขุมทรัพย์ใหญ่ได้มีแล้วในเวลาที่พระบิดาของพ่อนั้นประูุดตั้งแต่เวลาที่พระองค์ออกบวชแม่ไม่พบเลยพ่อจงไปทูลขอมรดกกับพระองค์ท่านว่า ข้าแต่เสด็จพ่อข้าพระองค์เป็นกุมารถึงอภิเศษแล้วจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิข้าพระองค์ต้องการทรัพย์ขอเสด็จพ่อได้ประทานทรัพย์แก่ข้าพระองค์เพราะบุตรย่อมเป็นเจ้าของสมบัติของพระบิดาหนังนี้ปรากุมารจึงเสด็จไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้ว ฮวนได้ความสเสน่หาในพระบิดาราเริงยินดีแล้วทูลขึ้นว่าข้าแต่พระสมณะพระฉายาของเสด็จพ่อสบายจึงได้ยืนทูลคำแม่อื่นเป็นอันมากที่สมควรแก่ตนพระผู้มีพระบาคเจ้าทรงทำรรพัฒกิจเสร็จแล้วทรงอนุโมทนาแล้วเสด็จลุกขึ้นจากอาสนะหลีกไป แม้พระกุมารก็ทูลขอว่าข้าแต่พระสมณะขอได้ประทานมรดกแก่ข้าพระองค์เถิดข้าแต่ท่านพระสมณะขอได้ประทานมรดกแก่ข้าพระองค์เถิดดังนี้แล้วก็เสด็จติดตามพระผู้มีพระบา่าวเจ้าไปแม้พระผู้มีพระบา่าวเจ้าก็ไม่ได้ให้พระกุมารกลับฝ่ายปริชนคือคนข้างเคียง ก็ไม่สามารถเพื่อจะเชิญพระกุมารผู้เสด็จไปกับพระผู้มีพระภาคเจ้าให้กลับได้พระกุมานั้นเสด็จไปถึงพระอารามทีเดียวพร้อมด้วยพระผู้มีพระภาคด้วยประการชนีลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระดำริว่ากุมานี้อยากได้ทรัพย์อันเป็นสมบัติ ของพระบิดาทรัพนั้นไปตามวัตตะมีความคับแค้นช่างเถอะเราจะให้อริยะทรัพเจ็ดประการอันเราได้เฉพาะที่ควงไม้โพแก่เธอจะทำเธอให้เป็นเจ้าของมรดกอันเป็นโลกุตระนันนี้แล้วกระนั้นพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งให้หาท่านพระสารีบุตรมาแล้วตรัสว่า สาริบดถ้ากรนั้นเธอจงให้ราหุลกุมารนี้บวชเถิดพระเทระอย่างพระราหุลกุมารนั้นให้ะหนันฑดแล้วก็เมื่อพระกุมาระนันฑดแล้วทุกมีประมาณยิ่งได้เกิดขึ้นแก่พระราชาเพราะได้สดับข่าวนั้นพระราชาไม่ทรงสามารถเพื่อจะกลั่นความทุกนั้นไม่ได้ เสด็จไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลที้แจงแล้วขอประธานบ่อน่าพระเจ้าข้าหม่อมฉันขอประทานพระวโรกาสพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไม่พึงยังบุตรที่มานดาบิดาไม่อนุญาตให้บวชพระผู้มีพระภาคเจ้าประทานพรนั้นแด่เท้าเถอแล้วรุ่งขึ้นวันหนึ่ง เสวยพระกรยาอาหารเช้าในพระราชนิเวศแล้วเมื่อพระราชาประทับอยู่นะส่วนข้างหนึ่งจึงทูลเล่าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในเวลาที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหาหม่อมฉันแล้วบอกว่าพระโอรสของพระองค์ที่หวงคดแล้ว หม่อมฉันไม่เชื่อถ้อยคำของเทวดานั้นจึงค้านกับเทวดานั้นว่าบุตรของเรายัางไม่บรรลุโพธิญาญย่อมไม่ทํากาละหนังนี้พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกันว่ามาฮัมบอร์บัด น, นี้พระองค์จะเชื่อได้อย่างไรแม้ในการก่อนเมื่อเขาแสดงร่างกระดูกแก่พระองค์แล้วทูลว่า บุตรของพระองค์ที่หวงคนแล้วพระองค์ก็ยังไม่สงเชื่อจึงได้ตรัสมหาธรรมาปาละชาดกเพราะเหตุเกิดแห่งเรื่องนี้ในการจบคาถาพระราชาดํารงอยู่ในอนาคามิผลพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดพระบิดาให้ดํารงอยู่ในผลสามด้วยประการชนีแล้ว มีภิกษุส่งแวดล้อมเสด็จกลับไปสู่กรุงราชจุครฯอีกแต่นั้นทรงปฏิญญาไว้กับอนาถบินทิกะเศรษฐีเพื่อประโยชน์แก่การเสด็จมาสู่กรุงสาวัตถีครั้นเมื่อพระเชตวันมหาวิหารสาเร็จแล้วเสด็จไปจำปัญษาในพระเชตวันมหาวิหารนั้นตอน พระนันท h อยากศึกเมื่อพระาศาสดาเสด็จประทับอยู่ในพระเจตวันอย่างนี้นั่นแหลท่านพระนันท h กระสันขึ้นอยากศึกแล้วจึงบอกเนื้อความนั้นแกภิกษุทั้งหลายว่าท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าไม่ยินดีในการประพฤติปรมาจารย์ไม่สามารถที่จะสืบต่อปรมาจารย์ไปได้ ข้าพเจ้าจะกล่าวคืนสิขาแล้วลาสึกเสียพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับความเป็นไปนั้นจึงรับสั่งให้ท่านพระนันทะมาเฝ้าแล้วตรัสคำนี้ขึ้นว่าจึงหรือนันทะได้ยินว่าเธอบอกกล่าวแก่ภิกษุหลายรูปอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ ไม่สามารถสืบต่อปรมาจันทร์ไปได้ข้าพเจ้าจะกล่าวคืนสิกาแล้วลาศึกข้อนั้นจริงอย่างนั้นพระเจ้าข้านั่นทะก็เธอไม่ยินดีประพฤติปรมาจันทร์ไม่สามารถจะสืบต่อปรมาจันทร์ไปได้จะกล่าวคืนสิกาสืบไปเพราะเหตุอะไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ก่อนจะออกจากเรือนนางชนบท กาลยานีผู้สากิยะมีผมอันกล้าวได้กึ่งหนึ่งได้ร้องสั่งคำนี้กับข้าพระองค์ว่าขอพระลูกเจ้าพึงด่วนเสด็จมาข้าแต่พระองค์ผู้เริญข้าพระองค์นั้นแลหวนระลึกถึงคำนั้นอยู่จึงไม่ยินดีการประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถจะสืบต่อพรหมจรรย์ไปได้จะกล่าวคืนสิกขาแล้วลาศึกไป ระนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจับท่านพระนันทะที่พระพาหาคือที่ศอกแล้วนำไปสู่ดาวดึงเดียวโลกด้วยกำลังประริษในระหว่างทางทรงแสดงนางลิงรุ่นตัวหนึ่งซึ่งมีหูจมูกและหางขาดนั่งเจ้าอยู่บนปลายตอไม้ที่ไฟไหม ในนาทีที่ไฟไหม้แล้วแห่งหนึ่งและทรงแสดงนางอับศรห้าร้อ 500, ซึ่งมีเท้าดังเท้านกพิราบผู้มาสู่ที่บำรุงของเท้าสกกะเทวราชในพพเดาดึงก็แลก ร, ลรันทรงแสดงแล้วจึงได้ตรัสกับนันตะอย่างนี้ว่านันทะเธอจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไร ภายนหนน้อแหลมีรูปงามกว่าน่าดูกว่าน่าเลื่อมใสกว่ากันคือนางชนบทกลยานีผู้สากยะหรือนางอับศรห้าร้อยซึ่งมีเท้าเช่นกับเท้านกพิราบนี้พระนันทาได้สดับพุทธตรรมัสนั้นแล้วจึงได้กราบทูลึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นางลิงรุ่นมีหูจมูกและหางขาดนั้นแม้ฉันใดนางชนบทกาลยาณีผู้สากยะก็เหมือนกันฉันนั้นเพราะการเปรียบเทียบกันนางย่อมไม่ถึงการนับบ้างไม่ถึงเซี่ยวหนึ่งบ้างไม่ถึงส่วนหนึ่งบ้างแห่งนางอับสรห้าร้อย น, นี้พี่แท้นางอับสรห้ารอย น, นี้แลมีรูปงามกว่าหน้าดูกว่า แต่น่าเลื่อมใสกวา่านันตะเธอจงยินดีนันตะเธอจงยินดีเราจะเป็นผู้ประกันของเธอเพื่ออันได้เฉพาะนางอับสอห้าร้0 0ซึ่งมีเท้าดุดเท้านกพิราบข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นประกันของข้าพระองค์เพื่ออันได้เฉพาะนางอับสอห้าร้อย ผู้มีเท้าดุดนกพิราบไซข้าพระองค์จะยินดีในการประพฤติพรมชันกระนันและพระผู้มีพระพาเจ้าจึงทรงพาท่านพระนันทาไปหายวับไปในที่นั้นได้ปรากฏในพระเชตวันดังเดิมภิกษุทั้งหลายได้สดับข่าวแล้วแหละ ว, ว่าได้ข่าวว่าท่านนันทะเป็นพระพาดา คือน้องชายต่างมารดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าโอรสของพระนานานางประพฤติประมจันเพราะเหตุแห่งนางอับสรทั้งหลายในยะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นประกันของพระนันทะนั้นเพื่ออันได้เฉพาะนางอับสอนห้าร้อยผู้มีเท้าดุดเท้านกพิราบครนั้นแลพวกพิกษุ ผู้สหายของท่านพระนันทะจึงเรียกท่านพระนันทะด้วยวาทะว่าคนรับจ้างบ้างด้วยวาทะว่าคนอันรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถ่ายไว้บ้างวา่าในยะวา่าท่านพระนันทะเป็นคนรับจ้างในยะวา่าท่านพระนันทะเป็นผู้อันพระาศาสดาทรงถ่ายไว้พระนันทะ ประพฤิพรหมจันทร์เพราะเหตุแห่งนางอับศร์ห้าร้อยได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้ประกันของเธอเพื่ออันได้เฉพาะนางอับศร์ห้าร้อยผู้มีเท้าดุดนกพิราบเนนี้กรนันแลท่านพระนันทะขวยเขินละอายรังเกียดด้วยวาาว่าคนรับจ้างบ้าง ด้วยวา่าทะว่าคนที่พระศาสดาทรงถ่ายไว้บ้างของพวกเหล่าภิกษุผู้สายจึงได้เป็นผู้ผู้เดียวลีกออกไปแล้วไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ต่อการไม่นานได้กระทำห้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรมรรจันทร์อันยอดเยี่ยมซึ่งกุลบุตรทั้งหลาย ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันแล้วตั้งอยู่ในตำแหนนได้จึงรู้จักว่าการเกิดสิ้นแล้วเพราะมาจันได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีก เป็นอ น, นบาท่านพระนันทะได้เป็นพระอาารันองค์หนึ่งแล้วในโลกในบรรดาพระอาหารหันตทั้งหลายขณะนั้นเทวดาองค์หนึ่งยังพระเชตวันทั้งสิน้นให้สว่างในส่วนแห่งราตรีแล้วเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาถวายบังคมแล้วจึงได้กราบูลขก้นบาขต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านพระนันทะเป็นพระพาดาคือน้องชายของพระผู้มีพระภาคเจ้าโอรสของพระน้านางทาให้แช่งซึ่งเจโตบิมุตปัญญาบิมุตอันหาสวามิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรนั้นได้นังนี้ก็แมยาน ก็ได้เกิดขึ้นแม้แก่พระผู้มีพระาเจ้าเหมือนกันบ่านันทะทาไม่แช้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะ ท, ทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนั้นแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ท่านพระนันทะแม่นั้นโดยล่วงไปแห่งราตรีนั้น เขาไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วได้กราบทูลกำนิวาสข้าแต่พระองค์ผู้เริญพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้ประกันของข้าพระองค์เพื่ออันได้เฉพาะซึ่งนางอับสหร้อ0ซึ่งมีเท้าดุดเท้านพิราบด้วยการรับรองใดก็ข้าพระองค์ขอเปลื้องพระผู้มีพระภาคเจ้า จากการรับรองนั่นนันทะแม้เราก็กำหนดใจของเธอด้วยใจเราทราบแล้วว่านันทะทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติปัญญาบิมุตอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้นันทะ เมื่อได้แลจิตของเธอพ้นแล้วจากอ า, วาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีความยึดมั่นเมื่อนั้นเราก็พ้นจากการรับรอานั้นครานั้นแลพระผู้มีพระบาเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าเปือกตม้มคือกามอันผู้ใดกามได้แล้ว น้ำคือกามอันผู้ใดย่ำยีได้แล้วผู้นั้นบนรรลุความสิ้นไปแห่งโมหะย่อมไม่หวั่นไหวในพระสุขและทุกข์ต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายถามท่านพระนันทะว่าท่านนันทะผู้มีอายุเมื่อก่อนท่านกล่าวว่าข้ า, ราพรเจ้าเป็นผู้กระสัรแล้วก็ในบัด น, นี้จิตของท่านเป็นอย่างไร พระนันทะท่านบูมีอายุทั้งหลายความห่วงใยในความเป็นเครือข่ของเราไม่มีกบ พ, พิสุกษุได้ฟังคำนั้นแล้วจึงได้กล่าวกับท่านว่าท่านนันทะพูดไม่จริงย่อมพยากรณ์พระอรัตถผลในวันที่แล้วแล้วมากล่าวว่าข้าพระเจ้าเป็นผู้กสันแต่ในบัร น, นี้กล่าวว่า ความห่วงใยในความเป็นเครือด่ยของเราไม่มีนั่นนี้แล้วจึงได้พากันไปกราบทูลความข้อนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าพิกษุท์ทั้งหลายในวันที่แล้วๆมาอัตภาพของนันทะได้เป็นเช่นกับเรือนที่เขาหมุงไม่ดีแต่บัดนี้ เป็นเช่นกับเรือนที่เขามุงดีแล้วประว่านันทานีจำเดิมแต่การที่ตนเห็นหนางเทพอับสอนแล้วพยายามเพื่อบรรลุที่สุดแห่งกิจของบัณประชิดอยู่ได้บรรลุกิจนั้นแล้วเราจึงได้ส่งภาษิตพระกาถาเหล่านี้ว่าฝนย่อมรั่วรถเรือนที่มุงไม่ดีได้ฉันใด ราคะย่อมเสียดแทงจิตที่ไม่ได้อบรมได้ฉะนั้นฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงดีแล้วไม่ได้ฉนันใดราคะย่อมเสียดแทงจิตที่อบรมดีแล้วไม่ได้ฉะนั้นบาลีว่ายะถาอาคารังทุตฉันนังวุติสมาติวิชาติเอวัง อภาวิตังจิตตังราโคสมาติวิชติยะถาอคารังสุดฉันวุท ธ, ธีนะสมาติวิชติเอวังสุภาวิตังจิตตังราโคนะสมาติวิชติก็ในบรรดาคาเหล่านั้นคาว่าอคารังคือเรือน หมายถึงเรือนชนิดใดชนิดหนึ่งคำว่าทุดฉันนังแปลว่าที่มุงไม่ดีคือที่เขามุงห่างๆมีช่องเล็กช่องน้อยคำว่าสมาติวิชติแปลว่าย่อมรั่วรดหมายถึงเม็ดฝนย่อมรั่วรดได้ก็คำว่าอะพาวิตังแปลว่าที่ไม่ได้รับการอบรมเป็นต้น หมายความว่าราคาย่อมเสียดแทงจิตที่ชื่อว่าไม่ได้อบรมเพราะเป็นธรรมชาติเอินห่างภาวนารากัวว่าฝนรั่วรถเรือนนั้นได้ฉะนั้นใช่แต่ราคาย่างเดียวเท่านั้นก็หาไม่ได้คือสภาพกิเลสทั้งหลายมีโทสะโมหะและมานะเป็นต้นก็เสียแทงจิต เห็นป่านนั้นเหมือนกันก็ในคําว่าสุภาวิตังแปลว่าที่อบรมดีแล้วได้แก่ที่อบรมดีแล้วด้วยสมถะและวิปัสสนาภาวนากิเลสทั้งหลายมีราคาเป็นต้นย่อมไม่อาจเสียแทงจิตเห็นป่านนั้นได้เราก็ว่าฝนไม่อาจรั่วรถเรือนที่มุงดีแล้วได้ฉะนั้น ก็ในการจบคาถาจนเป็นนันมากได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัติผลเป็นต้นเทศนาได้สำเร็จประโยชน์แก่มหาชนแล้วต่อมาพิเศษทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าทัางบุมีอายุชื่อว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นนัดเชริยะบุคคลท่านพระนันทะ ชื่อว่าอาศัยนางชนบทกัลยาณีได้เกิดความกระสันขึ้นถูกพระาศาสดาทรงทำเหล่านางอับสอนให้เป็นอามิตรแนะนำแล้วหนังนี้ก็เมื่อพระาศาสดาเสด็จมาจึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยกตาอะไรเนอะก็เมื่อภิกษุเหล่านั้น กราบทูลเรื่องนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสึ้นว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนนันทะนี้เราก็ได้ล่อด้วยมาตุ ก, กรรมแนะนำแล้วเหมือนกันผวนภิกษุเหล่านั้นถูนน้อนบอนจึงได้นำอาอดีตนิทานมาตรัสเล่า ว, ว่าตอน บรุรพกรรมของท่านพระนันตะในอดีตการเมื่อพระเจ้าพระมทัตร์ครองราชสมบัติในกรุงพรลนัสีได้มีพ่อค้าชาวเมืองพัลนัสีคนหนึ่งชื่อกาปะกะลาตัวผู้ของเขาตัวหนึ่งนำภาระคือสิ่งของไปได้กลุ่มพระหนึ่งมันเดินไปได้วันละเจดโยชน์สมัยหนึ่ง เขาไปเมืองตะกาิีลาพร้อมด้วยภาระที่นำไปด้วยลาปล่อยลาเที่ยวไปจนกว่าจำหน่ายสิ่งของหมดขณะนั้นลาของเก่านั้นเที่ยวไปบนหลังกูพบนางลาตัวหนึ่งจึงเข้าไปหานางลาเมื่อจะทำปฏิสันานกับลาตัวผู้จึงกล่าวว่า ท่านมาจากที่ไหนลาตปวผู้มาจากเมืองพรนาสีนางลาท่านมาด้วยการกระทำอะไรด้วยการกระทำของพ่อค้าท่านนำภาระไปได้เท่าไรเรานำภาระไปได้ประมาณกลุ่มผ้าหนึ่งท่านเมื่อ น, นำภาระประมาณเท่านั้นไปได้กี่โยอไปได้เจ็ดยอก็ในที่ซึ่งท่านไปแล้ว นางลาไรๆผู้ทําการนวดเท้าหรือประครบประงมให้แก่ท่านมีอยู่หรือก็ไม่มีหรอกนางลาผู้เจริญก็เมื่อเป็นเช่นนั้นท่านคงได้รับทุกมากนะจริงอยู่ที่ว่าผู้ทํากรรมมีการนวดเท้าเป็นต้นสำหรับสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายย่อมไม่มีแม้โดยแต่แต่นางลากล่าวคาเห็นป่านนั้น เพื่อพาดพิงถึงการมสังโยดลาผู้นั้นกระสันขึ้นด้วยคำของนางลาแล้วฝ่ายกับประกะพาณิชย์ขายพันธะหมดแล้วไปยังที่ลาพมนักอยู่แล้วกล่าวว่ามาเถิพ่อเราจะไปกันลาตัวผู้นั้นตอบว่าท่านจงไปเถอะข้าพระเจ้าจะไม่ไปลำดับนั้น นายกับะกะอ้อนบอนลานั้นแล้วแล้วเล่าเล่าจึงคิดว่าเราจะยังลานั้นซึ่งไม่ปรารถนาจะไปให้กลัวแล้วจึงจะนาไปจึงได้กล่าวกาถานี้ขึ้นว่าเราจะทำผตักมีน้ำแหลมยาวสิบกนิ้วแก่เจ้าเราจะทิ่มแทงกายของเจ้าแน่เจ้าลา เจ้าจงรู้อย่างนี้ลาเมื่อได้ฟังคำนั้นแล้วจึงกล่าวตอบว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าพระเจ้าจะรู้กิจที่ควรทำแก่ท่านบ้างจึงได้กล่าวกาถานี้ขึ้นว่าท่านจะทาปาตักมีน้นามแหลมยาวสิบบกนิ้วแก่เราเราจะยันข้างหน้ายกข้างหลังขึ้นแล้วทำพันทักของท่านให้ตกไป กับะกะท่านจงรู้อย่างนี้พ่อกาเมื่อได้ฟังคำนั้นจึงมีความคิดว่าด้วยเหตุอะไรน้อแลลานี้จึงกล่าวอย่างนี้กับเราดันนี้แล้วเมื่อแลดูรอบๆได้เห็นนางลานั้นจึงคิดว่าเจ้าหนี้คงจะถูกนางลาตัวนี้ทำไม่สำเนีกแล้วอย่างนี้ เราจะล่อมันด้วยมาตุกามว่าข้าจะนํานางลาชื่อมีรูปอย่างนี้มาให้เจ้าแล้วจะนําไปตอ น, นนี้แล้วจึงได้กล่าวกาตานี้ขึ้นว่าเราจะนํานางลาสาวมีเท้าสี่มีหน้าดุดสังมีสัมพางกายงามมาเป็นภรรยาของเจ้าแน่เจ้าลาเจ้าจงรู้อย่างนี้ ลาเมื่อได้ฟังคำนั้นมีจิตยินดีจึงกล่าวกาถานี้ขึ้นว่าท่านจะนำนางลาสาวมีเท้าสีมีหน้าดุดสังมีสัมผังกายงามมาเป็นบริยาข้าพระเจ้าข้าแต่กปะท่านจงรู้อย่างนี้ข้าพระเจ้าจะไปให้เร็วขึ้นถึงสิบสี่ยอดนะกปะกะที่นั้น นายขปะกะจึงกล่าวกับลานั้นว่าถ้ากระนั้นเจ้าจงมาเดินดัง น, นี้แล้วได้จูงไปสู่ที่ของตนหลานั้นโดยการล่วงไปสองสามวันจึงกล่าวกับนายขปะกะว่าท่านได้พูดกับข้าพเจ้า ว, ว่าจะนำภรรยามาให้ดังนี้มิใช่หรือเออเรากล่าวแล้ว เราจะไม่ทำลายถ้อยคำของตนจะนำภรรยามาให้เจ้าแต่เราจะให้อาหารแก่เจ้าเฉพาะตัวเดียวอาานั้นจงเพียงพอแก่เจ้าซึ่งมีตนเป็นที่สองหรือไม่ก็ตามทีเจ้าพึงรู้ตัวเองเถอะแม้ลูกทั้งหลายอาศัยการสังวาสของเจ้าทั้งสองก็จะเกิดขึ้นอ า, านั้นจงเพียงพอแก่เจ้า กับลูกเป็นนันมากเหล่านั้นหรือไม่ก็ตามทีเจ้าพึงรู้เองเถอะเมื่อนายกับประกาศกล่าวเช่นนั้นอยู่ลาได้เป็นผู้หมดหวังแล้วพระาศาสดาครั้นทรงนำพระธรมเทศนานี้มาแล้วทรงยังชาดกให้จบลงด้วยพระดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายนางลาในกล่าวนั้นได้เป็นนางชนบทกัลยาณี ลาตัวผู้ได้เป็นบรนันทะพ่อคาได้เป็นเหล่านี้เองแม้ในการก่อนนันตะนี้เราก็ได้ล่อด้วยมาตุการแนะนำแล้วด้วยประการอย่างนี้ดังนี้แหละเรื่องพระนันนตเตระ